บุ <Book> <20 S 3> ๊กทูยี่สิบอีรวัตการสนทนาหนึ่งจินนสัมภาษนะ้าปกติทําตัวตามสบายค่ะเศรษฐกิจมันต่งกูร์ชนีทําตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะ มีเลนี่อนควดีคุณอยากดื่มอะไรคะถากด้นี่เกมตีสกุนุคุณชอบดนตรีไหมคะมีกุสังกตมันตเตอสตเมนะดิฉันชอบดนตรีคลาสสิก ค, คะ่ะนากสามประดกเมนะสังกตมันตอิสตมนี่คือซีดีของดิฉันคะ่ะ อีวีนาซีดีลุคุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะมีรุเยได้นสังคิตวายเดียนิวายสตาระนี่คือกีตาร์ของดิฉันค่ะอีดีนากิตารุูคุณชอบร้องเพลงไหมคะมีกุปารดัลมันเตอิสตมะคุณมีลูกไหมคะ มีกุ๊บิลลี่ลูนนาระคุณมีสุนัขไหมคะมีวัตดากุ๊บก้อุนดคุณมีแมวไหมคะคมีมวมัตดาปิลลี่อุนดนี้คือหนังสือของดิฉันอีวิณาพุทธกาลุดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ กระซึมเนนุอีบุศตการที่ชาดูตุนานาโนคุณชอบอ่านอะไรคะมีดีเย่ไม่ชาดว่าละนันกุตุนารคุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมคะมีกูงานศัลย์ละก็เวลาดำมิสเตเมนะคุณชอบไปดูละครไหมคะมีกูน่าทักก็ศัลย์ละก็เวลาดำมเมนะ คุณชอบไปดูโอเปร่าไหมคะมีกุศงีต์ในากเวลามิสตเมนะกรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด